การเจริญสมาธิอย <In> ่างเป็นแบบแผนข้อ6เจริญสมาธิอนาปานสติภาวนาเป็นตัวอย่างเมื่อได้กล่าวถึงหลักทั่วไปของวิธีเจริญสมาธิแล้วก็เห็นควรแสดงตัวอย่างวิธีเจริญสมาธิไว้สักอย่างหนึ่งด้วยและบรรดากรรมฐาน40อย่างนั้นในที่นี้ขอเลือกแสดงอานาปานสติก็ก่อ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 ทั้งช่วยให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างดีและระบบการหายใจที่ปรับให้เรียบเสมอประณีตด้วยการปฏิบัติกรรมฐานนี้ก็ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นขอให้นึกอย่างง่ายๆายคนที่วิ่งมาหรือขึ้นลงที่สูงกำลังเหนื่อยหรือคนตื่นเต้นตกใจเครียดกราดหวาดกลัวเป็นต้นลมหายใจหยาบแรงกว่าคนปกติบางทีจมูกไม่พอ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 หากพิสุหวังว่าเราพึงบรรลุจตุตฌานก็พึงมณสิการานาปานสติสมาธินี้แหลให้ดีหากพิสษุหวังว่าเราพึงก้าวล่วงอากินจัญญาณยตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเถิดเราพึงก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญาจตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงสัญญาเวเทยิตะนิโรธเถิด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 สเสด็จออกจากที่หลีกเรนแล้วตรัสกับพิกษุท์ทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายหากว่าอัญญเดรถีปริพาชกทั้งหลายจะพึงถามพวกเธออย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมอยู่จพาพรรษาด้วยวิหารธรรมใดโดยมากเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงชี้แจงแก่อั ญ, ญะเดรธีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า